กำลังจะเททองหล่อพระถ้าเราอุทิศบุญกุศลนี้ถวายพระรัตนตรัยและอธิษฐานขอให้เราไปเข้าถึงมรรคนิพพานจะเหมาะสมไหมเราต้องทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมรวมทั้งพระอริยสงฆ์ที่ท่านสำเร็จอริยามรรคอริยผลแล้วท่านเจอสิ่งที่ดีกว่ากุศลแบบที่มนุษย์เราทํารมกันอยู่แล้ว ท่านไม่ได้ต้องการที่จะให้เราอุทิศส่วนกุศลของเราให้ท่านสิ่งที่ท่านต้องการคือการปฏิบัติเป็นบูชาสิ่งที่ท่านต้องการคือเห็นเราได้มักได้ผลตามท่านแต่ว่าการอธิษฐานขอดื้อๆให้ได้มักให้ได้ผลเนี่ยไม่ตรงประเด็นอย่างหนึ่งคือจิตของเรายังไม่รู้จักมักผลว่าคืออะไรถ้าอย่างอธิษฐานว่า ขอให้ได้รถหรูสักคันหนึ่งขอให้ได้บ้านหลังโตโตแบบที่เราต้องการอันนี้เรานึกออกกันได้เพราะคนเราเคยมีบ้านคนเราเคยมีรถแต่อธิษฐานว่าขอให้ได้มรรคผลมนุษย์ธรรมดาที่ไม่เคยเห็นจะนึกไม่ออกว่ามรรคผลได้กันอย่างไรได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือภาวะของมรรคผลเป็นอย่างไรมรรคผลนิพพาน ในจินตนาการของมนุษย์ทั่วไปไม่ต่างจากสวรรค์ไม่ต่างจากอะไรที่มองไม่เห็นยังไม่เคยสัมผัสเป็นสิ่งเลื่อนลอยไม่ต่างกับวิมานลอยในอากาศเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าขอให้พระพุทธรูปหน้าตักเท่านั้นเท่านี้จงเป็นพระลวะปัจจัยให้ได้มรรคผลนิพพานอันนี้เป็นการอธิษฐานที่เรียกว่าตรงจุดแต่เลื่อนลอยไปหน่อย ไม่สามารถจับได้มั่นคันได้ตายว่าจะเอาอะไรกันแน่ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนใหม่อธิฐานอะไรที่จับต้องได้เช่นขอให้การสร้างพระพุทธรูปองนี้จงเป็นพลาวาปะปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติธรรมสามารถเห็นว่าจิตอยู่ส่วนจิตกายอยู่ส่วนกายแยกจากกันเป็นต่างหากสามารถทิ้งอุปาทานว่าจิตมีเรากายมีเรา เรามีอยู่ในกายเรามีอยู่ในจิตเสียได้ประมาณนี้พูดง่ายๆขอให้ทิ้งอุปาทานในขันห้าทิ้งอุปาทานในธาตุหกซึ่งก็คือกายใจเสียได้อันนี้จะเป็นอะไรที่ตรงเป้าที่สุดเรารู้สึกว่าจับต้องได้ที่สุดและตรงกับมรรคผลนิพพานด้วยเพราะถ้าทิ้งอุปาทานได้ก็คือเข้ามรรคเข้าผลนั่นเอง